ไม่มีใจพยาบาทมีความเห็นไม่วิปริตโอ้ทีนะสัตว์โลกทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ไม่ได้อบรมทานศีลภาวนาไม่อบรมศีลสมาธิปัญญาไม่เจริญศิกขาสามตามพระบรมศาสดาเป็นคนมีความเห็นวิปริตนะของไม่งามก็ปสําคัญว่างามของไม่เที่ยงก็สําคัญว่าเที่ยงของเป็นทุกข์ก็สําคัญว่าเป็นสุขของที่ไม่ใช่อัตตาตัวตนก็สําคัญว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นต้น ด้วยรู้ความที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนะแล้วก็กําหนดรู้อริยสัตว์ด้วยนะคำว่ามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติของตนไงสัตว์ทั้งหลายสําคัญผิดกันหมดว่าเงินทองรัตนชาติแก้วแหวนเงินทองเป็นทรัพย์ของตนใช่ไหมบางคนก็สําคัญว่าบุตรญาติมีดทั้งหลายเป็นทายาทของตนเองบางคนก็สําคัญปู่ตายายายายเป็นต้นเป็นเ่าพันธุ์ของตนเองเป็นต้นเหล่าเนี่ย แต่พระโพธิศัตว์ก็ดีคนที่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเราท่านทั้งหลายที่เป็นอุบาสก อ, อุบาสิการเราต้องเข้าใจนะว่าทรัพย์สมบัติก็ดีญาติมิตรเป็นต้นก็ดีตลอดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นต้นก็ดีไม่ใช่ไม่ใช่สมบัตินะไม่ใช่ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเราเนาะแล้วก็ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่แท้จริงของเราเนาะ เงินทองรัตนาชาติต่างๆนั้นเกี่ยวข้องกับกระแสชีวิตของเรายังชั่วที่ยังมีลมหายใจเข้าออกเท่านั้นบางท่านลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแล้วสมบัติเหล่านั้นยังวิบัติหนีไปเลยฉะนั้นพิจารณาอย่างนี้อะไรล่ะเป็นสมบัติที่แท้จริงของสัตว์ทั้งหลายสุจริญกรรมและทุจริตกรรมไงใช่ไหมกุรรศลศีลก็ดีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลที่ตนเองรักษาแล้วที่เป็นสุจริญกรรม การไม่ให้ทานการไม่รักษาศีลการไม่อบรมศีลสมถาวิปัสนาที่เราไม่ได้อบรมเนที่ทุจริตกรรมทั้งหลายเหล่านี้อันนั้นจะเป็นสมบัติของสัตว์ทั้งหลายติดตามกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถ้าเป็นกุศลกรรมก็ส่งเสริมกระแสชีวิตให้ได้เด็ีได้ดีแบบถ้าอกุศลกรรมก็เบียดเบียนแต่พระบริษัตวนั้นนะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตน ด้วยการกําหนดรู้สัจจทั้ง4ี่รู้ด้วยนะนี่ทุกเน่ยเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้เน่ยตาคืออยู่กลิ้งใหใจเนสมุทรทยกลุ่มราคะโทสะทั้งหลายเหล่านี้ยเป็นกลุ่มที่ควรละมีโลดควรทําให้ความยินดีเกิดขึ้นมักควรเจริญเนี่ยนะมีความกตัญญูกะตะเวทีโอ้ยสาคัญมากเกลเกตอย่างนี้คนที่มีปัญญาทั้งหลายโดยเฉพาะถ้าเราดา่าพระโพธิสัตว์ด้วยแล้วกตัญญูกะตะเวทีมากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ขณะเป็นชา้างยังเลี้ยงแม่ น้องแม่ตาบอกถึงมั้ยอ่อนน้อมต่อผู้เจริญมีอาชีพบริสุทธิ์ไข่ทําชักชวนคนอื่นให้ยินดีในธรรมห้ามสัตว์ทั้งหลายนะีจากสิ่งที่ไม่ควรทําด้วยปากกาและทั้งปวงให้ตั้งอยู่ในสิ่งที่ควรทําประกอบความเ พ, พียรในกิจนั้นๆด้วยตนเองไนงะขั้นทําสิ่งที่ไม่ควรด้วยตนเองก็รีบละเว้นสิ่งนั้น ท, ทันทีเนีก็หมายความบอกว่าให้สังเกตตดูนะประกอบความเพียรในกิจเนี่ยถ้าสังเกตบอกว่าถ้ารู้ว่าตนเองพลาดเนี่ยรีบระเว้นทันดี รีบเปิดเผยรีบลาเวนศีลมีอยู่3ระดับนะถ้าของพระโพธิสัต์เนี่ยการสมาทานศีลการไม่ร่วงละเมิดตั้งแต่ศีลห้าเป็นปต้นเนี่ยนะไม่ก้าวร่วงสิกขาบทอวิติกมะนี่แข็งแรงมากอันนั้นเป็นศีลบารมีการสมาทานศีลห้าเป็นปต้นแม้ถูกเบียดเบียนก็ไม่ทําร้ายตอบหรือไม่เบียดเบียนตอบยังไม่ทําร้ายตอบนี่นะ <c oughs> หรือเบียดเบียนตอบกลับให้เขาวิบัติถ้าในกรณีอย่างเนี้ย เชอวัยวะยอมสละอวัยวะได้อย่างนี้เป็นอุปปัฏฐรมีนะยอมทิ้งอวัยวะยอมสละอวัยวะถ้าหากะสมาทานศีลเป็นต้นไม่ทําลายสิกขาบทที่ตนสมาทานไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตก็ไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่ท่านใช้คําว่าอุปมาที่ใช้คําบอกว่าศีลเนี่ยท่านรักษาประดุดดังคนมีตาข้างเดียวรักษาตาข้างเดียวหรือจามารีรักษาขนหาง ปกติสัตว์ประเภทนี้รักหางตนเองมากแต่ถ้าวิ่งหนีสัตว์ร้ายทั้งหลายถ้าหางไปเกาะติดหนามแล้วจะหยุดอยู่นั่นเน่ยรักษาขนหางแต่ไม่ยอมตายเนี่ยแต่ไม่ยอมแต่ไม่ยอมให้ขนหางหลุดขนหางขาดคนรักศีลก็รักแบบเนี้หรือนอกต่ายตีวิตรักษาไข่เขาบอกยอมตายนั้นขอกอกไข่ดูแลไข่อย่างนี้เป็นต้นหรือรู้ว่าคนมีมีคนมีบุตรรู้ว่าบุตรนั้นเกิดมาแล้วจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินถามว่าจะรักษาครันอย่างนีหรือไม่ เราท่านทั้งหลายถ้าศีลนี้เรารักษาแล้วจะเป็นปัจจัยให้เราได้สัมมาสัมโพริยาณจะได้ปเจกพริยานจะได้สาวกขโพธิยามถามว่าเราจะรักษาดีไหมเนี่ยต้องรักษาดีสิถ้าเราไม่มีศีลนี้แล้วเราจะได้อย่างไงคือความบทุกข์ฉะนั้นรักษายิ่งกว่าชีวิต ชีวิตสำคัญอะไรแต่สีนสำคัญที่สุดโอ้หนี่สมาทานมั่นคงแล้วชีวิตไม่สำคัญเท่าสีนสีนสำคัญกว่าชีวิตก็ไปท่องบ่อยๆ่หม่ๆใจไม่ยอมรับเนะี่ยใหม่ๆอาจจะต้องชีวิตสำคัญกว่าสีนอวัยวะกว่าสำคัญกว่าสีนภรรยาญาติมีดกว่าสำคัญกว่าสีนใช่ไหม ทราสมบัติกว่าคัญกว่าศีลมันท่องอย่านี้นะใหม่ๆล้วถูกท่องมาตั้งนานใช่ไหมมาแล้วก็ท่องกลับเลยสมาทานกลับเลยศีลสําคัญกว่าศีลสําคัญกว่าใหม่ๆไม่ไมยอมรับนะกิเลสที่ไม่ยอมรู้ความจริงเราก็ยิ่งให้ปัญญาให้ข้อมูลเข้าไปให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆนะเข้ากิเลสแพ้กิเลสไม่เก่งจริงนะถ้าคนรู้จักกิเลสแต่ตอนนี้กิเลสในใจเราเก่งจริงไหมเก่งไม่เก่ง ราคาโทรศัพโมหะของเราก็บศรัทธาไหนอ่อนแอกวกันไปไหนแข็งแรงวกว่ันศรัทธาแข็งแรงเลยโอโหน่าชื่นใจมีอยู่เสียงเดียวเองศรัทธานอกนั้นยังช่างใจอยู่ไม่รู้ศรัทธาหรือกิเลสไม่รู้ตรงนี้มาพิจารณานะพระโบธิสัต์ปฏิบัติในศีลก็คือว่าตกแต่สัตว์ทั้งหลายด้วยเครื่องประดับก็คือศีลของด้วยสัพพัญญูเนีย่ยเราจะจึงชำระศีลของตน ตั้งแต่ต้นก่อนก็หมายความว่าบางคนยมีตนเป็นใหญ่เพราะทาศัยบริสุทิ์แต่เดิมรังเกียจกลัวบาบย่างหิริและความละอายต่อบาบนีนะ่ให้เกิดขึ้นในขันธสันดานแล้วก็ประพฤติปฏิบัติ ด, ดีเสมอมาเรียกว่าศีลบริสุทธิ์ด้วยการด้วยความบริสุทธิ์ด้วยอาศัยสิ่งที่สั่งสมมาอันนี้เขาเรียกว่ามีตนเป็นใหญ่ปารบตนบางพวก็มีโรคเป็นใหญ่อย่างโอดตะปาก็ ค, คือความสะดุ้งกลัวนะสะดุ้งกลัวต่อบาปโทษเจติทั้งหลายตัาเนี้นะี่ย ก็มีความประพฤติสุดเจริญดีเนี่ยศีลบริสุทธิ์ด้วยการสมาทานศีลบริสุทธิ์ด้วยการสมาทานก็ก็คือศีลบริสุทธิ์ด้วยการไม่ก้าวล่วงประการต่อมาคือการไม่ก้าวล่วงนนเองบางครั้งหลงลืมสติศีลของบุคคลนั้นก็จะพึ้นขาดไปได้บ้างแต่ก็กระทำศีลที่ขาดนั้นให้เป็นปกติโดยเร็วแล้วกระทาคืนมีการอยู่กรรมสําหรับภิกษุเนี่ยนะอยู่ปริวัฒนกรรมเป็นต้นย่างหินอ่อตปาเป็นต้นให้เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ศีลบริสุทธิ์โดยการให้เป็นปกติมีการไม่ก้าวล่วงทีนี้เรามองอย่างนี้นะว่าในชั้นที่พระบพธิษัทท่านปฏิบัติเนี่ยพระบพธิษัททําการกราบไหว้พิวาตประนมมืออัญเชิีกรรมแสดงความเคารพสามีต่อกรลยานมิตรผู้ดำรงอยู่ในฐานะครูตลอดกาลโอ้ตรงนี้สำคัญมากให้สังเกต น, นีนะเออพระบริษัทจะจะเคารพอาจารย์ตันเองมหมายถึงอาจารย์ที่ถูกต้องด้วยนะ ทำการบำรุงกัญยาณมิตรเหล่านั้นกระดาษโดยกาการช่วยเหลือคนไข้ทั้งหลายฟังบทสุภาษิตแล้วก็สาธุพัฒนาคุณก็หมายความให้สังเกตอย่างนี้เวลาฟังบทสุภาษิต ฟ, ฟังคาถาฟังคําสอนฟังแต่ละคําแต่ละคําเนี่ยก็สาธุสาทุก็คือจิตใจจะน้อมในการที่ไข้ครวญนึกแป ว, ว่าชอบที่จะฟังสุภาษิตมาก ทำการสาธุภาลนาคุณผู้มีคุณธรรมอดทนในการทำความเสียหายอื่นถามว่าถ้ามีใครมีคุณธรรมมีความดีต่างๆก็เอามากล่าวอยู่นั่นแหละมาสรรเสริญให้คนอื่นในทราบว่าคนนี้เขามีคุณความดีอดทนในการทำความเสียหายแต่มีคนทำความเสียหายไดท่านก็อดทนนะไม่โกรธและลึกถึงผู้มีกาลาคุณในการอนุโมทนาบุญของคนอื่นเมออนุโมทนานเนี่ยให้สังเกตนะ กุมเราท่านทั้งหลายเนี่ยเวลาคนอื่นทำบุญเราชอบสาธูกันบ่อยอยู่นะแต่ให้รู้ความหมายด้วยนะบางคนสาธูกันจังเลยเนี่ยแต่ไม่ค่อยรู้ความหมายเนี่ยสาธุสาธุเนี่ยให้รู้ความหมายว่าเราเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยอย่างทานในบุญศนทําไมเราสาธุ่เราเห็นนี่เจตนาทานเป็นยังไงอโลภาทานเป็นยังไงใช่ไหม แล้วการพัฒนาที่จะเป็นประทานกุศลที่เป็นไปกระฉันท่วิริยะจิตตปัญญาที่ขับเน้นนามธรรมแล้วก็วัตถุทานเป็นอย่างไรและผลปรากฏของทานจะเกิดขึ้นอย่างไรที่ยิ่งใหญ่ยั่งมโหลานเป็นอย่างไรเขาให้ด้วยศรัทธาให้ได้ได น, น้อมน้อมให้ถูกกาลเวลาให้ด้วยนุเคาห์สลาขาดอย่างไรเป็นต้นเห็นไหมพอพิจารณานี้ก็สาธุแต่เข้าใจด้วยปัญญาในนี้น้อมบุญของตนเพื่อบรรลุสัมมาสัมพุธิญานก็หมายความบอกว่า อัธยาศัยของท่านจะตั้งอัธยาศัยสาธุแต่ละครั้งก็ขอให้เป็นปัจจัยต่อกา ร, า ร, ารบรรลุสัมมาสัมบวิยาณ น, นีตัวเองน้อมของเราก็เหมือนกันนะเวลาสาธุเนี่ยจากคนที่เขาประกอบคุณความดีอย่างวันนี้มีการจัดฟังธรรมมีการแสดงทำเราก็เา ส, าสาธุสาธุใช่ไหมสาทุการสาทูของเราเนี่ยเป็นอนุโมทนาใหม่นีจงเป็นปัจจัยแก่การสิ้นจากวัาจะทุกข์ด้วยเถิดนี่นะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดกาลนาน เมื่อมีโทษก็เห็นโทษในความเป็นโทษสำําสคัญเลยเช่นเมื่อมีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตรู้ว่าผิดแล้วนี่นะก็เห็นว่ามันเป็นโทษเห็นความล่วงเกินโดยเป็นความล่วงเกินเมื่อทําความล่วงเกินผู้อื่นแล้วรีบขอโทษเสาแต่ไม่ใช่ขอโทษรายวันบางคนขอโทษตะบันหรือขอไปนะขอโทษตลอดเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวก็มาแล้วขอโทษประจำ ไอ้อย่างนี้ไม่ดีใช่ไหมเพราะขอคิดแล้วขอโทษแล้วคนอื่นก็จะยกย่องไอ้อย่างนี้มีแผนนี่ขอโทษแบบมีแผนนี้ไม่ดีขอโทษก็คือสํานึกในสิ่งที่ทำพลาดจริงๆจะมีภรรยาอยู่ด้วยกันต้องขอโทษกันบ่อยไหมต้องขอโทษบ่อยแต่ต้องขอโทษแล้วจะไม่ทําสิ่ง น, นั้นอยู่เหมือนพระเนะยพระเวลาแสดงอบิษฎเนี่ยท่านจะใช้เขาต่อไปเขาไปเจ้าจะไม่ทําอย่างนี้อีกนะใช่ไหม ต่อไปข้าพเจ้าจักสํารวมระวังต่อไปอ้าวพระวันรุ่งขึ้นอบัตอีกแล้วทีนี้เรายุ่งเลยใช่ไหมจับทุกวันออขอขอไปเป็นอัปาทุกวันแสดงโทษทุกวันโอ้โหเป็นกิจกรรมเลยตอนนี้น่งเข้านั่งเข้ากันนั่งงันหน้าใจกันไม่มีอะไรแล้วแสดงโทษอยู่เรื่อยเลยอย่างนี้มีดีเป็นประเพณีอ่ะมันเป็นประเพณีแล้วแจ้งแกสาธรรมิกนั้นตามความเป็นจรงิงบําเพ็ญสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งโดยชอบถ้าเราร่วมเป็นโทษ อย่าไปถือทิศเทียวโอ้ยเราคิดอย่างนี้ถูกแล้วทําาอย่งนี้ถูกแล้วก็เลยแจ้งเมื่อควรทําสิ่งที่เป็นประโยชน์อนควรแก่ตนแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ขยันก็ไม่เกียจคร้านเข้าถึงความเป็นสหายเมื่อทุกมีความเจ็บป่วยเป็นต้นเกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายก็จัดการช่วยเหลือตามสมควรโอ้เวลาเห็นคนก็เดือดร้อนไปช่วยเมื่อสัตว์ทั้งหลายอยู่ในความเสื่อมเสื่อมจากยากเสื่อมจากโภคลาทั้งหลายเหล่านี้ช่วยบรรเทาความโศก อันนี้ก็แก้ทุกข์ให้เขาได้เป็นผู้ตั้งอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือได้ตลอดเวลาเป็นผู้ขม่มผู้ที่ควรขม่มโดยถูกทำนะทำมาไปข่มเขาไม่ใช่ทิฏฐิมานะไปขม่มเพื่อให้เขาค้นจากอกุศลเช่นถ้ารู้ว่าเพื่อถ้าอยู่กับเพื่อนรู้ว่าเพื่อนทําบาปหาวิธีแล้วเริ่มคิดแล้วเอ๊ะทำไงเพื่อนออกจากบาปอย่างเงี้นะฮะทำเป็นผู้ยกย่องผู้ที่เป็นผู้ยกย่องผู้ที่ควรยกย่องแล้ว โดยการทําการใดที่ทําได้ยากอย่างยิ่งกว้างขวางที่สุดมีอนุภาพเป็นอัจินไตรอันนําประโยชน์ศกมาให้แก่สรรทั้งหลายโดยส่วนเดียวนี่พระโพธิสัตว์ก่อนจะประพฤติแล้วโ พ, พธิสมภารนี่นะพระบริษัทเหล่านั้นได้ถึงความแก่ตล้าโดยชอบด้วยคุณธรรมฟังคุณธรรมเหล่านั้นแล้วไม่หวาดเสะอดุถามบอกว่าคนที่ปร า, า, ารถนาสัมมาสัมปวรญาณนี้พรฟังกรรมของพระพุทธเจ้าที่ทํามา ทานบา ร, รมีศีลเนกธรรมะปัญญาอุปิยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาเบคนะนีฟังบอกว่าต้องให้ทานเนี่ยนะต้องสละทานอกุศลเนี่ยถ้ามองถึงบอกว่าให้อยายุวะเป็นทานจนขืนแต่ดินแพน้ไม่กลัวไม่กลัวควักดวงตาให้เป็นทานจนดาวบนท้องฟ้าแพ้ก็ไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวนี่นะ ตัดศรีรษะให้เป็นทานคุณเขาสิเีรู้ก่อพ่ายแพ้ก็ไม่กลัวถ้าเรามองมองในกรณีอย่างนี้ก็โอ้โหใช่ไหมไม่กลัวไม่ไม่กลั ว, ลวถ้าเรามองอย่างนี้นะว่าที่เราอ่านพระจริยาปิดอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเออขอไปอ่านพระจริยาคุณของพระเจ้าในชาดกห้ารอยห้าสิบเรื่องนิดหน่อยนั่นน่ะนิดหน่อยนะที่ทรงทรงทรงจารึกไว้ ปปามเนี่ยพื้นแผ่นดินเนี่ยนะโลกใบนี้มีเม็ดเม็ดเม็ดดินเล็กๆ่เยอะั้มก้อนตรวดเล็กๆหน่ยเยอะไหมเอาเราหยิบมาสักห้าอยห้าสิก้อนนั่นน่ะคือที่มาจานลึกไว้คือคือการสร้างบารมีของวับริษัทไอ้พื้นเป็นพื้นแผ่นดินที่เหลือทั้งหมดที่เป็นเมล็ดตรวดที่เหลือทั้งหมดที่รวมเป็นพื้นแผ่นดินตั้นเป็นโลกใบนี้อันนั้นคือพระคุณของพระฤยาที่ยังไม่ได้นำมากล่าวพระเจจริยาคุณทั้งหลาย นั่นแหะมากมายขนาดไหนนั่นแหละอันนี้อุปมาเนะอุปมาเนะถ้าเรามองอย่างนี้จะได้เห็นไงว่าท่านท่านไม่ท้อท่านไม่ท้อโพธิสมภารของพระโพธิสัตว์เหล่านั้นได้ถึงความแกร่กล้าโดยชอบด้วยคุณธรรมฟังคุณธรรมเหล่านั้นก็ไม่หวาดสะดุง้งไม่หวาดสะดุง้งไม่กลัวถ้าเราบอกจะต้องบำเพ็ญบา ร, รมีขนาดนี้เอาไหมถ้าอย่เราเอาไม่เอา อ้ที่นั่งอยู่นี่ใครมีใครกล้าไหมกล้าจําเพลิบา ร, รมีขนาดนั้นไหมเนี่ยกลัวไหมจะต้องผมทานอะบา ร, รมีเป็นตัวเหล่านี้ให้เต็มมหาสมุทรเนี่ยโอ้โหเจอมั้ยแต่อย่างเราอะ่ะเอาขนาดไหนดีเราก็ต้องสละเหมือนกันนะถึงจะพ้นทุกข์ใช่ไหมก็ดูตรงนี้เป็นประมาณถ้าโพธิสัตว์แม้เหล่านั้นเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันมีอัจภาพเนะยอบรมเพื่อความบริบูรณ์แห่งการศึกษาตามลําดับ ได้บรรลุบารมีอย่างอุกฤษในโพธิสมภารถึงพร้อมด้วยอนุภาพยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นแม้เราก็พึงปฏิบัติอย่างนั้นโดยชอบในศีขามีศีลเป็นต้นท่านก็เริ่มพิจารณาบอกโอ้เนี่ยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆทั้งหลายเนี่ยท่านทําศีลให้เต็มท่านทําสมาธิปัญญาให้เต็มท่านบําเพ็ญโพธิปักจียธรรมให้เต็มบริบูรณ์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าแม้เราก็จะทําอย่างนั้นเราทําไงดีเรามาคิดถึงบอกว่า ถ้าเป็นอุบาสกบาสิกากันนึกถึงนางวิสาขาบ้างอนาถาินิกะเศรษฐีเป็นต้นบ้างใช่ไหมเออในท่านบำเพ็ญทานศีลภาวนามาอย่างไรเราก็จะทําทอย่างนั้นนี่ทุกท่านไม่ละความเพียรมีศรัทธาเป็นเบื้องหน้าแม้เราก็บำเพ็ญสิกขายบริบูรณ์ตามลําดับแล้วปฏิบัติแล้วจักบรรลุ ถ, ถึงบทนั้นโดยส่วนเดียวเชื่อว่าเป็นผู้ทําความบริบูรณ์ในศีลทั้งหลายโดยชอบเราก็อย่างนั้นให้สมาทานศิกาบทให้ตั้งมั่น เอาจริยาวัดของพระบรมศาสดานี่นะมาเป็นหลักปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องเพียรพยายามขนาดนี้ในการดูแลกุศล ศ, าศาีลแม้เราในฐานะเดินเข้ามาสู่วงของพระผู้มีภาคเจ้าแล้วการที่เราจะทําลายศีลโดยรักษาชีวิตทําลายศีลรักษาววัยวะทำลายศีลรักษาทรัพย์สม บ, บัตริรักษาทาลายศีลมารักษายากไม่สมควรแก่เราเลยตรงนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มจะตั้งมั่นเลยสิพระโพธิสัตว์นี้ปกติ ปิดความดีนะเปิดเผยโทษคนส่วนใหญ่มีปกติปิดโทษเปิดเผยความดีคุยจ้าความดีคุยยังเลยนั่นต่อไปเราจะทำไงดีเราจะมีลักษณะปิดความดีเปิดเผยโทษนะัะเดี๋ยวขอสักคนหนึงเปิดเอาไม้ขึ้นมาให้บอกโทษตัวเอง <laughs> ให้มีใครกล้าหไหโอ้โหเหมือนจะบอกโทษตัวเองกวคนอื่น น่าคิดกนันนะนะเช่นเราเคยทําชั่วอะไรมาเคยคิดชั่วอะไรมาหนูตรงนี้ก็คือว่าเปิดเผยโทษมักน้อยสันโดษส ง, งัดไม่คุกครีทนต่อทุกนี่ทนได้มาคือเจออุปสรรคแล้วไม่ไม่กลัวและชีวิตต้องเป็นแบบนี้ไม่หวาดระดุ้งไม่ฟุ้งซ่านไม่เยอะอยิงไม่หวั่นไหวไม่ปากร้ายแล้วก็ท่านใช้ศัพท์ดีนะไม่แสงหาเรื่อง <laughs> สมัยก่อนเนี่ยโบราพอ่พอโยมพ่อเคยบอกว่าบางทีเราไปชอบเอตัวเล็กๆนะ่ไปโรงเรียนก็บางทีไปแกล้งคนโตๆเขาคนตโตๆเขารังแกมามาหาพ่อกะว่าบอกพ่อดีกว่ารเราเล็กๆอย่างตอนนั้นพ่อจะได้ไปว่าคนๆนั้นที่เขาเบียดเบียนเราพ่อบอกนั่นแหละเก่งเท้าไปหาเสียน โห oh, ยุ่งเลยแมนนู้ว่าพ่อจะมาช่วยเรากับซ้ำเติมมน้อยใจเลยตอนนี้ตอนนี้คือว่ามีอินทรีย์สงบใจสงบปราศจากมิจฉาอาชีพนะไม่หลอกลวงไม่หลอกลวงถ้าเป็นเครื่อหัดก็ไม่หลอกลวงเป็นพิษสุก็ไม่หลอกลวงเลี้ยงชีพอะไม่หลอกลวงถึงพร้อมวยอาจาระและความประพฤติดีงามไม่ล่วงละเมิด ที่เกิดทางกายทางวาจาและโคจรก็คือการสแสวงหาทั้งหลายลนี่นะเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อยคือเห็นความชั่วแม้นิดหน่อยก็รู้สึกเหมือนกรรมที่หนักพระโดยสานวนองพระกวาเลยนะ้เห็นทุกกดเห็นอบัตทุกกฎเนี่ยมีโทษหนักใหญ่เท่าคุนเขาสินเนรู้โหหนักมากนะนะอันนี้กลัวมากกลัวภัยมากตั้งใจศึกษาในศึกษาบททั้งหลาย บารอบความเพียรมีตนที่มั่นคงมากไม่คำนึงถึงกายและชีวิตก็ไม่เสียดายกายและชีวิตอุปกิเลสก็คือบรรเทาอุปกิเลสความเศร้าหมองมีความโกรธความผูกปวดเป็นต้อนอะไรนี้เป็นต้นเราท่านทั้งหลายก็สมาทานนะเป็นเหตุแห่งความเป็นผู้ทุศีนทั้งหลายเนี่ยไม่ไม่ร่วงละเมิดไม่ยินดีนะเป็นผู้ไม่ยินดีอยู่ด้วยการบรรลุ ธ, ธรรมวิเศษมีประมาณน้อยเช่นถ้าเป็นว่าบริษัทเลยนะ ท่านจะไม่ยินดีในการบรรลุสาวกโพธิยานก็ไม่เอาปัจเจกโพธิยาณก็ไม่เอาแต่ท่านจะเอาสัมมาสัมโพธิยาณเราเป็นผู้ยินเราเป็นผู้มักน้อยในกุศลเลี้วมักมากการเจริญกุศลท่านห้ามมักน้อยเช่นเราจะรักษาศีล น, น, น้อยอนี่ก็แล้วเราจะให้ทา น, นน้อยวันนึงเราให้น้อยให้น้อย เพราะเรามักน้อยในการเจริญกุศลท่านห้ามแล้วเมื่อไหร่จะพน้นทะุกข์หแต่ในเรื่องของการมาคุณทั้งหลายทาหายก็สอนนีม้มน้อย ก, ก็คือว่านี่ไม่ท้อแท้นะไม่ท้อแท้พยายามเพื่อจะบรรลุธรรมวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นมาอย่างเราก็อย่าท้ออย่าไปท้อว่าวันนี้นะเราเรียนเราฟังไม่เข้าใจบางท่านโ้โหท่านใช้ศัพท์มากยัง พยายามใช้ภาษาให้โยมเข้าใจหน่อยได้ไหมอย่าท้อใช่ไหมเหมือนอย่ไฟอยู่ข้างบนเนี่ยโยมโยมอย่าไปนั่งอธิษฐานให้ไฟร่วงใส่หัวที่โยมต้องต่อบันไดขึ้นไปให้ถึงไฟที่ทำไมทําไมเขาติดได้ล่ะการเจริญกุศลต้องเจริญลักษณะนั้นอย่ารอให้คําสอนพระพุทธเจ้าวิ่งชนใช่ไหมเราต้องน้อมศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเดินตากบันไดขึ้นไปที่เดี๋ยวก็หยิบได้เดี๋ยวก็ถึงนะที่สูงๆทั้งหลายเราเนี้ย ไม่ใช่ว่าเป็นนั่งรอขอให้เราพ้นทุกข์ขอให้เราพ้นทุกขทก์ทุกวันเลยแต่ไม่รักไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาแล้วแล้วเมื่อไหร่ละอธิษฐานจนปากฉี่ถึนหูก็จะได้ไหมไม่ได้หรอกมันเกี่ยวกับการเจริญเกี่ยวกับการอบรมให้เกิดขึ้นพระโพธิสัตวประพฤติขวนขวายมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เป็นนิดพระองค์เป็นผู้บอกทางให้เป็นผู้นําทางคนตาบอดเนียนะ ให้สัญญาณด้วยนิ้วมือแก่คนหนูหนวกอนุเคราะห์ประโยชน์ให้กับคนใบในที่นั่งให้ยานพาหนะแก่คนพิการหรือนําคนพิการไปส่งเป็นต้นนี้หมูท่านทำมาอย่างตราบหมดแล้วเราเห็นคนกระทําประโยชน์ทั้งหลายนะวิธีคิดถึงพุทธคุณคิดยังไงโอ้ยว่าพุทธเจ้าทํามาหมดแล้วกรรมงามทั้งหลายเหล่านี้เห็นคนอื่นทําทั้งหลายเราคิดนึกถึงบุญญาทุกครั้งเนี่ยคนคนั้นจะเจริญพุทธคุณไนดะ้ เข็นกรรมงามที่คนทั้งอื่นทั้งหลายทําทั้งหลายทํามาอุ้ยพระบรมศาสดาทําหมดแล้วพระศาสดาของเราบาเพ็ญทานบารมีศีลเนคขมาปัญญาพระองค์ทํามีปัญญานําหน้าด้วยมีความเข้าใจลึกซึ้งด้วยกระทําอย่างต่อเนื่องด้วยคนไม่มีศรัทธาก็พยายามแนะนําให้เขามีศรัทธาเรากลับไปที่ที่บ้างมีใครไม่มีศรัทธาก็หาวิธีดิหาอุบายทําให้เขามีศรัทธาคนเกียจคร้านก็พยายามแนะนําให้เขาเกิดอุตสาหะ คนหลงลืมเห็นไหมคนหลงลืมก็พยายามแนะนำให้เขามีสติคนมีใจวุ่นวุ่นวายฟุ่งสร้างก็พยายามทําให้เขาเกิดมีสมาธิคนมีปัญญาซ้ำก่อนแนะนําให้เขามีปัญญาธรรมหรื อ, อยังพยายามทําพยายามบอกเห็นไหมเหมือนเนี่ยเหมือนตั้งชมลมกันทั้งหลายอย่างชมลมเผยแผ่ทำมิลุชมลมมันพุ่งไปทํามันพุ่ง น, นี่พยายามนะเนี่ย บางทีเป็นหน้อาออกมายังแอบได้ยินนะเนี่ยทำอย่างนี้ยากจะต้องทําให้ง่ายจะต้องมีคําถามคําตอบหจะต้องทําให้คนเข้าใจง่ายนี่เดินตามรอยใครเนี่ยเดินตามรอยพระโพุทธศาสนาเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือทอํายังไงจะให้คนเข้าใจง่ายทยํายังไงจะให้คนเข้าใจสะดวก จะ ใ, ให้เขาเข้าใจชัดและให้เขานำไปปฏิบัติขัดเกลาตัวเองได้จริงเออคนไม่มีศรัทธาทำไงให้เขามีศรัทธาคน ม, มีความเพียรทำให้ไงเขามีความเพียรคนหลงลืมสติคนไม่ระลึกถึงทานกุศลสี่งกุศลทำยังไงให้เขาระลึกได้คนฟุ้งซ่านทำให้เขามีสมาธิยังไงคนมีปัญญาสามทำให้เขามีปัญญายัางไงคนหมกมุ่นในกางประชันท้พยายามแนะนำให้เขาหัดบําเพ็ญเนฆามะหน่อยคนหมกมุ่นในพยาบาท กันแนะนําให้เขามีเมตตาคนฟังทำแล้วนั่งหลับก่อนนี้นาให้เขาตื่นตื่นให้มีจิตใจเบิกบานเนี่ยนีเพียรพยายามนะต้องเพียรพยายามนะคนฟุ้งซ่านคนลังเรสงสัยก็บันเทาพยายามให้เขาละจากการมาฉันทาพยาบาทฉีนามิทะอุทธิจกักกุกุจาวิจกิกิกิจถ้าถูกเนี่ยดูความเพียรพยายามต้องเพียรพยายามมากไหมแบบเนี้ย ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมใครจะเป็นไงจะหงุดหงิดอยู่ตัวเราเนี่ยแล้วปฏิบัติอย่างนั้นแหละแปลจริงเนะปฏิบททัติธรรมเนี่ยแต่ไม่สนใจคนอื่นเลยไม่ดีต้องช่วยเรา <c oughs> ปฏิบททัติธรรมก็ห้ามใจดำ <c oughs> คิดถึงพ่อถึงแม่บ้าง <c oughs> คิดถึงญาติมิตรบ้างใช่ไหม <c oughs> คิดถึงคนอื่นบ้างท <c oughs> ีนี้อันนี้ถึงเพื่องของคนอื่น ถ้าเรื่องนั้นตนเองอ่ะถ้าถูกการมิวิตกครอบงําพยายามแนะนําพยายามนําพยายามบันเทามิฉาวิตกเหล่านะอันนี้พยายามด้วยตัวเองนะเพราะไม่มีใครบอกเราทําไงถ้าการะหาหาคนบอกไม่ได้ทํำยังไงถ้าการมิวิตกความตึกคิดในเรื่องการเกิดขึ้นเราจะทํางไงก็ต้องบันเทาเล่ทำไมพระเจ้าสอนอยังไงต้องคิดแล้วและจําคําสอนไม่ได้ยุ่งนะแต่เนี้ยจะยุ่งแล้วเอพระเจ้าสอนให้คิดยังไง มัวไปวิ่งเปิดตำลาอยู่โหยุ่งเลยนีเเ้เขาไม่เข้าใจอะทำไงใช่ไหมอย่างั้นถ้ากามวิตกเกิดขึ้นอนี้แปลว่าอะไรเนี่ยตอนนี้เราตรึกในเรื่องกามมากเกินไปเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนนิมิตได้นิมิตใดอารมณ์ดใดเสียงใดกลิ่นใดรสใดสัมผัสใดเป็นที่ตั้งของกามวิตกก็เปลี่ยนเปลี่ยนนิมิตหรือเปลี่ยนจิต เพะเปลี่ยนจิตคิดให้ถูกเปลี่ยนจิตคิดให้ถูกเช่นมองหน้าพ่อหน้าแม่แล้วพยาบามีัตกเกิดเรื่อยเลยโกรธเรื่อยเลยทำไม TVs. อย่างเงี้ยนะบางคนพยาบามบัติวิโตเกิดนะแปลกฟังเสียงเพื่อนแล้วกร า, าบวิโตกเกิดฟังเสียงพ่อแม่แล้วพยาบามีัตกเกเิดมอวิชโตรไรก็เกิดเนี้ยเห็นหน้าพ่อหน้าแม่พยาบามบัติวิโตเกิดเห็นหน้าเพาื่อนกราบวิโตเกิดสรุปเรื่ผิดทัง้งคู่นี้เนี่ยต้องบรรเทาทั้งหมด นี่นะไม่ใช่โอ้ยคุยกับเพื่อนดีใจจะคุยกันนะคุยกับพ่อกับแม่เหมือนกันสบายใจแล้วคุยในเรื่องเดิมๆพูดแต่ซ้ำซากคานี้พูดแต่ยี่สิบกว่าครั้งเลยแล้วร๊้แล้วก็โกรธคนแก่เป็นแบบนี้นะคนแก่พูดไปลืมไปพูดไปก็ลืมไปแล้วพูดแล้วพูดอีกเนี่ยกินข้าวแล้วยังมาถามเราเอ๊ลูกแม่กินขา้าวยังน่น <c oughs> เอทอยังไงได้เจอแบบนี้ทําัง ไ, งไให้คิดยังไงอ่ะ ให้คิดว่าท่านกําลังสอนเราบอกว่าลูกไปก่อนแม่ฉลาดกว่าลูกอีก <S 2> <S 2> <S โอฉลาดมากรู้อะไรเด็กเติบโหมดเลยแต่ดูที่ลูกพรโทษในการละราคาโทรศัทโมหะไม่ได้แม่จึงเป็นอย่างนี้แต่ลูกระวังไว้นะลูกก็ไม่พน้นจากการที่ต้องเป็นเหมือนแม่เพราะลูกยังไม่หมดราคาโทรศัทโมหะนี่คิดนี้เป่าถ้าคิดอย่างนี้ได้เ อ, อ, อย่ยนี้จะละได้ ถ้าพยาบาทที่ตกเกิดขึ้นก็แก้ไขนะกรณีในลักษณะอย่างนี้ก็คือการปฏิบัติในนี้การปฏิบัติในกรณีที่จะละการมิฉันท์พยาบาททีน่าเป็นต้นคือมหาบุรุษย่อมคบสัตว์ที่ควรคบตามท้งควรเกตการเทศะไม่ตีเตียนคนที่รักและจะลเสริญคนที่ไม่รักต่อหน้าบุนคคลอื่นไม่วิสาสะกับคนที่ไม่คุ้นเคยไม่ปฏิเสธตามเชื้อเชิญที่เป็นธรรมนะ ก็มายว่าถ้าเขาเชื้อเชิญได้เป็นทางบุหงไม่ปฏิเสธไม่แสดงตัวมากเกินไปไม่รับของมากเกินไปอุ่นสคัญนะโอ้ยอะไรก็รับหมดรับหมดตายเลยถือจุกแน่นเลยลําบากเลยนะใครให้อะไรก็รับหมดรับหมิยุ่งกันเลยต้องพิจารณางกันในตรงนี้นะไม่ใช่ว่ารับรับอี้ทําไมให้น้อยจังเลยยิ่งไปใหญ่เลยนะแบบนี้จะว่านี่จะเอามากนี่แบบเนี้ยก็ต้องระวัง ยินดีกับยินดีกับผู้ที่มีศรัทธาด้วยการกล่าวดีสงศ์ศรัทธาด้วยนะย่อมยินดีกับผู้ที่มีศีลสุตตากาธาปัญญาสัตว์นี้เป็นผู้ประพฤติจรีตของบุรุษเป็นผู้หลั่งไหลบุญกุศลหาประมาณก็เจริญยิ่งยิ่งเป็นไปอีกประการหนึ่งนะนะกรณีอย่างนี้ก็คือว่าท่านก็ไปไข้ควรกับเรื่องของศีล น, นะข้อปฏิบัติในวารีตรีศีล